ความหลังในสังสารบทที่สิบห้าคุณนายเฉล่ารัฐเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมเดินไปถึงโรงอาหารแม่พินก็จัดให้นั่งโดยแยกหญิงกับชายไม่ให้นั่งโต๊ะเดียวกัน ชายนั่งด้านในทางทิศตะวันออกหญิงนั่งด้านทางทิศตะวันตกเมื่อทุกคนนั่งเรียบร้อยดีแล้วแม่พินจึงมานั่งอย่างโต๊ะที่มีเครื่องขยายเสียงจับไมโครโฟนแล้วบอกทุกคนให้ถอดรองเท้าประนมมือกล่าวคำบูชาข้าวพระพุทธและพิจารณาอาหารโดยตั้งนาโมสามจบพร้อมๆกัน จากนั้นแม่พินก็กล่าวคำนำบูชาข้าวพระพุทธและคำพิจารณาอาหารดังนี้อิมังสูปะพยัญชนะสัมปันนงังสาลีนงังโพชนางังอุทธกังวรังพุทธะปูเชมิข้าพเจ้าขอบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยโพชนาอาหารและน้ำนี้หยุดหนึ่งวินาทีเสสังมังคลังยยาจามิ ข้าพเจ้าได้บูชาแล้วขออนุญาตรับประทานอาหารส่วนที่เหลืออันเป็นมงคล น, นี้พิจารณาอาหารข้าวปลาอาหารและน้นํานี้ข้าพเจ้าจะรับประทานเพื่อระ ง, งับความหิวบำรุงร่างกายให้แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บได้มีชีวิตอยู่กระทําความดีปฏิบัติธรรมะข้าพเจ้าจะไม่รับประทานเพื่อบำรุงกิเลส ต, ตัณหาแต่อย่างใด ขอให้ท่านผู้บริจาคและผู้บริการทุกท่านจงมีอายุวันนะสุขะพละและจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วด้วยเทินต่อจากนั้นทุกคนสวดบทสามัญญานุโมทนาคถาพร้อมกันโดยแม่พินนำสองวักแรกผู้ปฏิบัติธรรมรับวักที่สามแล้วสวดพร้อมกันจนจบดังนี้ สัพพีติโยวิวัชชนตุสัพพโรโควินั ส, สตุมาเตภวัตตันตรายโยสุขีทีคายุโกพวะอภิวาทนาสีสิทสนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตโรธรรมาวัตทันติอายุวันโนสุขังพลังจากนั้นทุกคนรับประทานอาหารอย่างสงบ ไม่มีการพูดคุยเพราะต้องฝึกเจริญสติในการรับประทานเริ่มตั้งแต่กำหนดว่าเห็นหนอเมื่อเห็นจานอาหารวางตรงหน้าอยากรับประทานหนอเมื่อต้องการจะรับประทานคำว่าอยากในที่นี้มิได้มีความหมายเดียวกับอยากที่เป็นตัญหาหากเป็นการกำหนดต้นจิตเท่านั้น ยกหนอจับหนอตักหนอมาหนออ้าหนอใส่หนออมหนอรดนอเคี้ยวหนอประมาณ3 0ถึง35ครั้งและกลืนหนอเหล่านี้คือการฝึกเจริญสติในการรับประทานซึ่งหากกำหนดอย่างละเอียดอาหารคำหนึ่งคำหนึ่งจะกำหนดถึง 41ถึง46หนอเริ่มตั้งแต่เห็นหนอจนถึงกลืนหนอกล่าวคือเมื่อเห็นและอยากรับประทานแล้วก็ยกมือไปจับจอนตักอาหารมาจอที่ปากอ้าปากใส่อาหารลงไปในปากอมไว้รู้รสอาหารว่าหวานมันเผ็ดเปรี้ยวเค็มแล้วเคี้ยวชา้าประมาณ30ถึง 35ครั้งจึงเกลืนผู้ปฏิบัติควรฝึกกำหนดให้ได้41ถึง46หนอในคำแรกและเพิ่มในคำที่สองที่สที่4ไปเรื่อยๆผู้ที่มีบุญบา ร, รมีติดมาแต่ชาติบางก่อนและมีความเพียรไม่ยิ่งหย่อนในชาตินี้จะสามารถกำหนดได้ตั้งแต่คำแรกจนถึงคำสุดท้ายเลยทีเดียวสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม ที่ไม่ใช่ชาวพุทธหากไม่สามารถทำตามขั้นตอนดังกล่าวนี้ได้คือเริ่มตั้งแต่บูชาข้าวพระพุทธจนถึงสวดบทสามัญญานุโมธนาคถาเพราะอาจขัดกับคาสอนของศาสนาที่ตนนับถือก็ไม่ต้องประนมมือแต่ต้องถอดรองเท้าและกล่าวคาพิจารณาอาหารตั้งแต่ข้าวปลาอาหารและน้ำนี้จนถึงที่ข้าพเจ้าบาเพ็ญมาแล้วด้วยเทิน ส่วนเรื่องอาหารการกินนั้นผู้ปฏิบัติที่เป็นชาวมุสลิมไม่สามารถรับประทานอาหารที่ปรุงด้วยเนื้อหมูหรือน้ำมันหมูเพราะขัดต่อคำสอนของศาสนาจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงท่านก็จะสงเคราะห์ด้วยการสั่งแม่ครัวให้ปรุงอาหารสำหรับชาวมุสลิมโดยเฉพาะปกติชาวมุสลิมจะพากันมาปฏิบัติเป็นหมู่คณะในเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนถือศีลอดของพวกเขา และจะขออนุญาตรับประทานอาหารวันละสองมือ้อคือก่อนพระอาทิตย์ขึ้นหนึ่งมือ้อหลังพระอาทิตย์ตกอีกหนึ่งมือ้อพวกเขาปฏิบัติเคร่งครัดมากเดินนั่งฟังเทศไม่พูดคุยกันเลยดีกว่าชาวพุทธหลายคนที่มาปฏิบัติแก้บนซึ่งนอกจากจะไม่ตั้งใจปฏิบัติแล้วยังตั้งวงคุยกันเสียงดังไปรบกวนคนที่เขาตั้งใจมาปฏิบตัต คนประเภทนี้ต่อให้ปฏิบัตินับสิบปีก็ไม่ไปข้างเหนือข้างใต้มาให้เสียเข้าสุกวัดเปล่าๆรับประทานอาหารเสร็จแล้วผู้ปฏิบัติธรรมก็แยกย้ายกันกลับที่พักบางคนอาบน้ำไม่ทันตอนตื่นนอนก็จะถือโอกาสอาบตอนนี้ จากนั้นก็จะไปปฏิบัติต่อที่หอประชุมภาวนาก่อนสีธิพาเวลา8นาิกาถึง11นาฬิกาพักรับประทานอาหารกลางวันและพักผ่อน11นาฬกาถึง13นาฬิกาไปปฏิบัติรอบบ่าย13นาฬิกาถึง16นาฬิกาพักอาบน้ำา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาทำวัดเย็นและปฏิบัติรอบค่า 18นาฬิกาถึง21นาฬิกาหลังจากนั้นพักผ่อนหลับนอนจนถึง3นาฬิกานาทีของวันใหม่ผู้ปฏิบัติที่มาด้วยศรัทธาจะเพลิดเพลินและมีความสุขกับการปฏิบตัติเป็นความสุขทางใจที่ส่งผลให้เกิดความสุขทางกายกล่าวคือรู้สึกเบาเนื้อเบาตัวไม่หิวไม่อึดอัดไม่เครียด ส่วนผู้ที่มาปฏิบัติเพื่อแก้บนนั้นจะรู้สึกอึดอัดขัดข้องกับสภาพความเป็นอยู่และเกิดความเครียดที่ถูกกําหนดด้วยตารางเวลาจะนอนให้สบายก็ถูกบังคับให้ตื่นตั้งแต่ตีสามครึ่งวันทั้งวันก็ให้เดินเดินนั่งๆั่งจะพูดจะคุยกับใครก็ไม่ได้กลางคืนแทนที่จะได้นอนแต่หัวข้ามก็ต้องมานั่งฟังพระอาจารย์เล่าเรื่องอะไรต่อม้อะไร ฟังไม่เข้าใจสักเรื่องเดียวพวกไรบุญวาสนาจะพากันคิดอย่างนี้จึงสร้างความดีให้ตัวเองไม่ได้ฉันพัทหารเช้าแล้วท่านพระครูจดบันทึกเรื่องราวต่างๆที่ได้ประสบพบเห็นในช่วงเวลาที่ไปแสวงบุญยังแดนพุทธภูมิท่านคิดว่าคงเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ท่านจะได้ไปยังดินแดนที่พระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นในโลก เมื่อ 2,573 ปีมาแล้วอีก23ปีข้างหน้าคือปี 2,555 พระพุทธศาสนาก็จะอุบัติขึ้นมาในโลกครบ 2,600 ปีแล้วก็จะมีการเฉลิมฉลองกันใหญ่ในหมู่ชาวพุทธทั่วโลกท่านปลื้มใจที่ได้ไปนมัสการสังเวชนิยสถานคือสถานที่อันเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวช หรือเป็นที่ที่ให้เกิดความสังเวชคําว่าสังเวชในที่นี้มาจากคําบาลีคือสังเวชแปลว่าแรงเร่งแรงกระตุ้นหรือพลังที่ปลุกกรา้าหมายถึงแรงกระตุ้นเราเตือนใจให้ได้คิดหรือสำนึกขึ้นมาได้ให้คิดถึงธรรมตระหนักถึงความจริงของชีวิตหรือตระหนักถึงความจริงความดีงาม อันทำให้ตื่นหรือถอนตัวขึ้นมาจากความเพลิดเพลินความหลงระเริงปล่อยตัวมัวเมาหรือความประมาทแล้วหักหันไปเร่งเพียนทำการที่ตระหนักรู้ว่าจะพึงทำด้วยความไม่ประมาทต่อไปแต่ในภาษาไทยสังเวชมีความหมายแคบลงและเพียนไปกลายเป็นความรู้สึกสลดใจหรือเศร้าสลดแล้วงอยหรือหดหูเสีย จึงกลายเป็นตรงข้ามกับความสังเวทที่แท้สำหรับท่านนอกจากได้ความสังเวทที่แท้แล้วยังได้ธรรมสังเวทอีกด้วยท่านจึงตั้งปณิธานไว้ว่าจะเดินตามรอยบาทพระาศาสดาด้วยการอุทิศชีวิตสั่งสอนธรรมและสงเคราะห์ญาติโยมที่มาขอความช่วยเหลือซึ่งอย่างหลังนี้ท่านต้องทำเพื่อใช้หนี้มนุษย์ ดังที่ท่านได้อธิษฐานจิตไว้เมื่อครั้งที่ไปรับอุบัติเหตุรถคว่มคอหักนี่ดังกล่าวนั้นท่านเรียกว่านี่กรรมข้ามชาติการไปแสวงบุญในครั้งนี้ท่านก็ได้ใชหนี่กรรมข้ามชาติกับพระอินเดียด้วยการให้ทุนการศึกษา 80,000 บาทเพื่อไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่ประเทศอังกฤษท่านระลึกชาติได้ว่าเคยเกิดเป็นคนอินเดีย และนับถือศาสนาพราหมณ์ตามพ่อแม่ภิกษุรูปนั้นเป็นพี่ชายของท่านและได้ช่วยเหลือเกื้อกูลท่านมาส่วนคนที่เป็นพ่อแม่ของท่านในชาตินั้นมาชาตินี้ก็เกิดที่ประเทศอินเดียนับถือศาสนาซิกต่อมาได้ย้ายครอบครัวมาตั้งหลักปักฐานอยู่ในประเทศไทยโดยมีร้านขายผ้าอยู่ที่อำเภอบ้านพายจังหวัดขอนแก่นมีลูกห้าคน หญิงสามคนชายสองคนคนกลางเป็นผู้หญิงชื่อบัญยิศชาติที่ท่านเกิดเป็นคนอินเดียเธอก็เป็นลูกคนกลางและเป็นพี่สาวของท่านพระอินเดียที่ท่านให้ทุนเป็นพี่ชายคนโตท่านเป็นลูกชายคนเล็กท่านจะได้พบพ่อพี่สาวในวันที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราชสองพที่อำเภอบ้านไผ่และ พี่สาวจะตามมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่ามะม่วงเห็นหนอบอกไว้อย่างนั้นท่านจะได้ใช้นี่กรรมกับพ่อและพี่สาวให้เสร็จสิ้นเพราะท่านได้อธิษฐานจิตไว้ว่าจะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกจดบันทึกยังไม่ทันเสร็จก็ได้เวลาลงรับแขก ที่กุฏิชั้นล่างญาติโยมมารอขอความช่วยเหลือกันมากหน้าหลายตาที่มาดีก็หลายที่มาร้ายก็มากมาดีคือมาขอให้ท่านช่วยและขอธรรมะมาร้ายคือมาลองภูมิท่านเพราะคนประเภทนี้ไม่ได้มาด้วยศรัทธาแต่ตั้งใจมาหาเรื่องกับท่านบางคนก็ได้เรื่องร้ายแรงกลับไป คือมีอันจะต้องตายในวันนั้นเพราะมีจิตคิดไม่ดีกับผู้ทรงศีลบริสุทธิ์นอกจากญาติโยมหญิงชายแล้วก็มีพระอีกสองรูปนั่งอยู่ด้านขวาของอาสนะส่วนคุณนายเฉลวรัตนั่งด้านซ้ายหล่อนมากับลูกชายคนโตอายุ19ปีและลูกสาวคนเล็กอายุ6ขวบลูกสาวอีกสามคนที่อายุห่างกันคนละปีก็คือ18 17และ16ไม่ได้มาด้วยเมื่อท่านนั่งยังอัสนะทั้งพระและคลืงหัดก็พากันกราบท่านสามครั้งท่านรับไหวเฉพาะพระสองรูปส่วนคลือหัดท่านไม่ต้องรับไหวแล้วจึงถามพระสองรูปว่าพระคุณเจ้ามาจากวัดไหนครับภิกษุหนึ่งในสองรูปประนมมือกราบเรียนท่านว่า มาจากวัดในจังหวัดสิงห์บุรีนี่เองจุดประสงค์ของการมาคือจะมาขอบริจาคทูปเทียนเพราะที่วัดไม่มีทูบเทียนสำหรับบูชาพระและถ้าได้ไม่ขีดไฟไปด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงท่านพระครูจึงสั่งนายสมชายให้ไปจัดทูปเทียนและไม่ขีดไฟมาให้ในายสมชายลุกออกไปตามคำสั่ง ท่านจึงถือโอกาสเล่าเรื่องวัดป่ามะม่วงสมัยที่ท่านมาอยู่ใหม่ๆให้พระสองรูปฟังญาติโยมก็พลอยได้ฟังไปด้วยท่านเล่าว่าสมัยที่ผมย้ายมาจากวัดพรหมบุรีมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดนี้เมื่อ28ปีก่อนวัดก็ยากจนถึงกับทูบเทียนและไม่ขีดไฟแทบจะไม่มีชาวบ้านแถบนี้ก็อดอยากยากจน จะกินเข้าไปในแต่ละวันก็ยังไม่ค่อยจะมีไหนเลยจะมาเผื่อแผ่เจือจานพระสมองเจ้าได้นอกจากนี้ยังลำบากได้เรื่องอาหารการกินบินทบาทมาได้ก็ไม่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทั้งผมและพระลูกวัดต้องอดอยากปากหมองไปตามๆกันสตรีผู้หนึ่งพูดขึ้นว่าหลวงพ่อคะพระต้องใช้ฉันไม่ใช่กิน หลวงพ่อพูดผิดแล้วนะคะอาตมาพูดผิดตรงไหนละ่ะท่านถามหลวงพ่อพูดว่าลำบากได้เรื่องอาหารการกินที่จริงต้องพูดว่าลำบากได้เรื่องอาหารการฉันถึงจะถูกหล่อนชี้แจงอ๋ออย่างนั้นหรือโยมว่าอาตมาพูดผิดหรือแล้วอาตมาต้องพูดใหม่ไหมท่านถามอย่างนึกสนุก แล้วแต่หลวงพ่อค่ะแต่ถ้าเป็นดิฉันดิฉันจะพูดใหม่เพราะดิฉันถือคติว่าคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวดิฉันเป็นคนดีค่ะบุรุษหนึ่งรู้สึกทนไม่ได้จึงพูดตำหนิหล่อนต่อหน้าพระและญาติโยมว่าแต่ผมไม่เห็นด้วยที่คุณว่าคุณเป็นคนดี เพราะคนดีต้องมีมัน ญ, ญาติไม่บางอาจมาจ่วงจาบสั่งสอนพระคุณเจ้าต่อหน้าธารกํานันแบบนี้และมันหนักกระบาลคุณหรือไงถึงได้มาว่าฉันต่อหน้าพระและขลึงหัดในวัดในวาเช่นนี้คุณรู้ไหมว่าฉันเป็นใครหล่อนถามด้วยท่าทางเย่อหยิ่งผมจะรู้หรือว่าคุณเป็นใครในเมื่อคุณเองยังไม่รู้คุณเป็นใครบุรุษนั้นโต้อตอบ ทำไมฉันจะไม่รู้ว่าฉันเป็นใครถ้ารู้แล้วคุณจะมาถามผมทำไมล่ะก็เมื่อตะ ก, กี้คุณถามผมว่ารู้ไหมว่าฉันเป็นใครเขาพูดเรียนเสียงหลอนผู้ที่ฟังอยู่ณที่นั้นพากันหัวเราะเบาๆพระกุณเจ้าสามรูปต่างยิ้มน้อยๆท่านเจ้าของกุฏิจึงถามสตรีและบุรุษนั้นว่าขออาภัย โยมทั้งสองคนต้องการกรรมการตัดสินไหมอาตมาจะหากรรมการให้ใครอยากเป็นกรรมการช่วยยกมือขึ้นไม่มีผู้ใด ย, ยกมือเพราะต่างก็คิดว่าเรื่องอะไรจะเอามือไปซุกหีบให้มันหนีบเอาเปล่าๆโยมเฉลิ้วรัฐช่วยเป็นกรรมการตัดสินให้หน่อยได้ไหมท่านถามคุณนายเฉลาวรัฐที่นั่งอยู่ด้านซ้ายของอาสนะ ดิฉันเป็นไม่ได้หรอกค่ะเรื่องของดิฉันก็เต็มเป้าเต็มกระเป๋ายังตัดสินไม่ได้ที่ดิฉันมานี่ก็เพื่อจะมาขอให้หลวงพ่อช่วยตัดสินค่ะคุณนายฉเฉลิ้วรัตตอบเสียงเศร้าเพราะกำลังทุกข์หนักหนาสาหัสนักที่มานี่ก็เพื่อจะขอคำปรึกษาจากท่านพระครูเรื่องที่สามีนอกใจ หลวงพ่อคะโยมขอรับอาสาเป็นกรรมการตัดสินค่ะสตรีที่นั่งถัดจากคุณเฉลวรัตยกมือขึ้นและกราบเรียนท่านพระครูเพราะเห็นว่าถ้าปล่อยให้สตรีและบุรุษเถียงกันก็จะทำให้คนอื่นๆต้องเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจถ้าอย่างนั้นก็ว่าไปเลยจะได้ไม่เสียเวลาอาตมาถือคติว่า ขาต้องเติมเกินต้องตัดเพื่อประหยัดเวลาเมื่อได้รับอนุญาตสตรีนั้นจึงพูดขึ้นว่าดิฉันต้องขออนุญาตแนะนำตัวดิฉันเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยและจบคณะอักษรศาสตร์จุฬาคิดว่าตัวเองเหมาะสมกับเป็นกรรมการตัดสินในครั้งนี้ดิฉันขอตัดสินว่าคุณผู้ชายทำถูกแล้วที่ทักท้วงคุณผู้หญิง ความจริงแล้วการที่หลวงพ่อท่านพูดว่าอาหารการกินนั้นถูกต้องแล้วเพราะเป็นสำนวนไทยที่ใช้การมานานส่วนอาหารการฉันไม่มีในสำนวนไทยจึงถือว่าคุณผู้หญิงใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องผู้ที่นั่งนที่นั้นต่างยกมือขึ้นสาธุด้วยความโล่งใจยกเว้นสตรีที่ถูกตัดสินหล่นชี้หน้าอาจารย์ที่จบอักษรจุฬา และถามคำถามเดียวกับที่ถามบุรุษคนนั้นนี่คุณรู้ไหมว่าฉันเป็นใครอาจารย์วัยกลางคนตอบเสียงเรียบๆว่าคำตอบของดิฉันเหมือนที่คุณผู้ชายตอบเมื่อตะกี้ค่ะเท่านั้นเองสตรีนั้นก็แว้เข้าใส่กรรมการตัดสินพร้อมกันนั้นก็พูดแขวะบุรุษนั้นว่าโอ้ยอะไรกันนักหนาะเป็นอาจารย์ยังพูดไม่รู้เรื่อง ไอคิวต่ำง้เงแงวเตาตุนเหมือนผู้ชายคนหนึ่งในที่นี้ที่ไม่รู้ว่าฉันเป็นใครผู้ที่นั่งนะ้ที่นั้นทั้งพระและครืหัดต่างพากาัน ร, ร้อนตัวเพราะไม่มีใครสักคนที่รู้ว่าหล่อนเป็นใครมาจากไหนพูดแขวะเสร็จแล้วหล่อนก็แนะนำตัวด้วยท่าทางที่เย่อหยิ่งว่าเอาละ่ะฉันจะบอกให้เอาบุญฉันนี่นะเป็นคนมีมัญย่าชาติผู้ดีแล้วก็มีเงินมีทอง แถมยังเป็นน้องนายกรู้ไว้ซะด้วยสงสัยคงจะเป็นน้องนายกสมาคมชาปนากิจวัดโคกอีแรงท่านเจ้าของกุฏิคิดติดตลกหลังจากที่เห็นหนอรายงานว่าสิ่งที่หลอนพูดมานั้นเป็นเท็จทั้งหมดหลอนเพิ่งจะออกจากสีธัญญามาเมื่อวานนี้เองเอาละโยมอาตมาต้องขออาภัยแทนญาติโยมในที่นี้ด้วยที่ไม่รู้ว่ายมเป็นใคร บัดนี้ทุกท่านคงรู้แล้วใช่ไหมว่าโยมคนนี้เป็นใครท่านจงใจใช้คำว่าโยมท่านนี้จะได้สมศักดิ์ศรีของคนเป็นน้องนายกแล้ววันนี้ท่านน้องนายกจะให้อัตมาช่วยอะไรก็ว่ามาขออภยัยญาติโยมอัตมาขอให้โยมน้องนายกรัดคิวได้เพราะท่านจะต้องรีบไปรีบมาใช่ไหมจ๊ะ ท่านถามน้องนายกใช่เจ้าค่ะขอพระคุณพระคุณเจ้าที่เมตตาให้ลัดคิวคือว่าดิฉันก็ไม่มีอะไรมากเพียงแต่อยากจะทำบุญถวายปัจจัยพระคุณเจ้าสัก5้ 0,000 บาทดิฉันเขียนเช็คมาเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะทุกคนได้ยินพากันอนุโมทนาบุญกับหล่อนลืมเรื่องที่หล่อนแสดงกริยาไม่สมควรเมื่อสักครู่เสียสิ้นสตรีนั้นคลานมาถวายซองสีขาว ท, ทุกคนนะที่นั้นคิดเหมือนกันว่าในซองเป็นเช็คเงินสดจำนวนห้าแสนบาทท่านพระครูก็คิดอย่างนั้นเช่นกันนึกกระยิมยิ้มย่องในใจว่าแม้เรากลับจากนมาศการสังเวชนิยสถานได้สองวันเงินก็ไหลนองทองก็ไหลมาเมื่อวานมีคนมาถวายสองแสนวันนี้มีอีกห้าแสนเห็นหนาขัดขึ้นว่า ช้าก่อนอย่าเพิ่งดีใจลองเปิดซองดูซิว่าข้างในมีอะไรช่วยดูให้หน่อยก็แล้วกันท่านบอกเห็นหนอไม่ช่วยลองเปิดซองต่อหน้าญาติโยมจะได้เห็นกันท่วนทั่วเดี๋ยวโยมเ้าถวายเสร็จก็จะกลับจริงดังที่เห็นหนอบอกพระโยมน้องนายยกลากลับทันทีที่ถวายซองเสร็จท่านพระครูจึงพูดกับญาติโยมว่า อาตมาขออนุญาตเปิดซองจะได้ให้ญาติโยมช่วยกันเป็นพยานว่าโยมเขาถวายเช็คจริงหรือว่าเช็คปลอมจากนั้นท่านจึงเปิดซองพระสองรูปมองอย่างใจจดใจจออยากรู้เช็คเงินสดจํานวนห 0,000 นบาทเป็นอย่างไรตั้งแต่บวชมายังไม่เคยมีใครได้รับเช็คเงินสดเลยสักครั้ง ท่านพระครูหยิบแผ่นกระดาษขนาด9คูณ20เซนติเมตรออกมาจากซองไม่ใช่เช็คแต่เป็นกระดาษที่ตัดให้เท่ากับขนาดของเช็คบนกระดาษเขียนว่าดิฉันขอถวายเช็คเงินสดแด่ท่านพระคุณเจ้า5 0 0แสนบาทเจ้าค่ะลงชื่อนางสาวออนอุมาน้องนายก ่าพระครูชูแผ่นกระดาษแผ่นนั้นให้ญาติโยมดูถามยิ้มยิ้มว่าใครอยากได้เช็คใบละห้าแสนก็มารับได้อาตมายกให้และท่านจึงอ่านข้อความในกระดาษแผ่นนั้นให้ญาติโยมฟังหลวงพ่อไม่โกรธโยมคนนั้นหรอกละครับที่ทํากับหลวงพ่อขนาดนี้บุรุษที่ถกเถียงกับสตรีที่ถวายเช็คเรียนถามพระครู อาตมาจะไปโกรธเขาทำไมล่ะโยมอาตมาถือคติว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาโยมคนนั้นเขาเพิ่งออกจากสีธัญญามาเมื่อวานนี้เองหลวงพ่อทราบได้อย่างไรครับก็ตำราดูเหงโเห้งบอกตำราดูเหงโเห้งของคนจีนนี่เขาแม่นนะถ้าเราดูเป็นอาตมาดูเหงโเห้งคน จะรู้เลยว่าคนที่กําลังเดินมานี้นิสัยใจคอเป็นอย่างไรดีหรือร้ายหรือเป็นมิตรตอนกู้เป็นศัตรูตอนทวงไม่เคยพลาดเลยนะถ้าอย่างนั้นเราก็ฟังคนบ้าพูดมาตั้งนานทําไมหลวงพ่อไม่ไล่ไปเสียตั้งแต่ตอนแรกล่ะคะเสียเวลาคนอื่นเค้าสตรีอีกผู้หนึ่งดูเหมือนบน ท่านเจ้าของกุฏิรู้ว่าหลอนกำลังทุกข์เรื่องสามีนอกใจเช่นเดียวกับคุณนายเฉลาวรัตจึงบอกหลอนว่าอาตมาทมอย่างนั้นไม่ได้หรอกโยมอาตมาเปรียบเหมือนเจ้าของบ้านถ้าแขกมาเยี่ยมบ้านเราเราก็ไล่แขกไปรึออีกประการหนึ่งโยมคนนั้นเขาก็เพิ่งออกมาจากสีทัญญายังไม่หายเป็นปกติเขามีจิตศรัทธาอยากจะทาบุญกับอาตมา จึงได้ถวายเช็คปลอมเขาก็ได้บุญเพราะเจตนาของเขาเป็นกุศลและทำไมเขาถึงเป็นบ้าคะท่านพระครูได้โอกาสที่จะช่วยหล่อนให้คลายทุกข์จึงตอบว่าเพราะเขายึดมั่นถือมั่นในสามีจนเกินไปพอถูกสามีนอกใจก็เลยสติสตังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเสียอกเสียใจทั้งรักทั้งแค้นอัดแน่นในสวง ทั้งหึงทั้งหวงจนกลายเป็นคนสัญญาวิปลาสอย่างที่เห็นก็เลยต้องบำบัดที่ศีร ญ, ญาและถ้าจะให้หายขาดต้องใช้เวลานานหลายปีทางที่ดีก็อย่าให้ถึงกับสัญญาวิปลาสท่านพระครูยิงปืนนัดเดียวแต่ได้นกกว่า10บตัวเพราะนอกจากคุณนายเฉละรัตและสตรีผู้นี้แล้วยังมีสตรีหลายคนในที่นี้ถูกสามีนอกใจ และพากันมาให้ท่านช่วยแล้วมีวิธีป้องกันไหมคะสตรีนั้นเกิดรักตัวกลัวตายจึงคิดหาวิธีป้องกันมีวิธีเดียวเท่านั้นคือการมาเข้ากรรมฐานเจริญสติปัฏฐาน4อย่างน้อยเจวันและก็ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไม่พูดไม่คุยกับใครถึงจะป้องกันสัญญาวิประลาดได้ ถ้าไม่ใช่วิธีนี้ก็ไม่สามารถป้องกันได้หลวงพ่อครับนอกจากตำราดูเหงวเฮ้งคนจีนแล้วมีวิธีอื่นอีกไหมครับที่เราจะรู้ว่าคนที่กำลังคุยด้วยหรือคนที่เราเห็นเขาเป็นคนอย่างไรดีหรือชั่วซื่อสตัตย์หรือว่าคดในข้องอในกระดูบุรุษอีกคนหนึ่งถามเพราะเขาเพิ่งถูกคนที่เพิ่งรู้จักกันมายืมเงินไปห้าพันบาท ตั้งแต่เดือนที่แล้วถึงบัดนี้ก็ไม่มาให้เห็นหน้าเห็นตาอีกเลยท่านพระครูตอบเหมือนไม่ตรงประเด็นในความคิดของโยมคนอื่นๆืทว่าคนที่รู้ว่าตรงประเด็นที่สุดก็คือคนที่ถามทําใจเสถ่ะโยมห้าพันบาทที่ให้เขายืมไปเมื่อเดือนที่แล้วหนะไม่ได้คืนรอกแต่ไม่เป็นไรเสียแล้วเสียไปไม่ต้องขุนข้องแค้นเคือง จะทำให้จิตตกเสียเปล่าๆจาไว้เลยนะอาตมาจะบอกเคล็ดลับให้ว่าอย่าให้จิตตกต้องยกจิตเข้าไว้ถ้าจิตตกชีวิตก็ตกไปด้วยเงินทองก็จะหนีไปอยู่บ้านคนที่เขาจิตดีคนจิตตกทํามาหากินไม่ขึ้นแต่ถ้าจิตดีเงินก็ไหลนองทองก็ไหลมาวิธีที่จะทําให้จิตดีก็มีวิธีเดียวอีกเหมือนกัน คือการมาเข่ากรรมฐานเจริญสติปัฏฐานสอย่างน้อยเจ็ดวันพอจิตดีแล้วทุกอย่างก็ดีเองคนที่ยืมเงินไปตั้งใจว่าจะโกงก็จะกลับใจนาเงินมาคืนให้สรุปว่ากรรมฐานดีที่สุดแล้วก็แก้ปัญหาได้ทุกอย่างแต่ผู้ปฏิบัติจะต้องทำอย่างจริงจังไม่ใช่ว่ามาทำจิ ม, จ, มจิมจำจำแล้วจะแก้ปัญหาได้ ถ้าเรามีกรรมฐานเราก็ใช้วิชากรรมฐานนี้ดูคนจะได้รู้ว่าคนนี้นิสัยใจคอเป็นอย่างไรครบได้หรือไม่ได้แต่ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าปฏิบัติกันไม่จริงเช่นมาคุยกันมานั่งมากินมานอนให้เปลืองเข้าสุกวัดถึงเวลาปฏิบัติก็หลีกิเลี่ยงเช่นไปเข้าห้องน้ําเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไป เพราะไม่ถูกอัธยาศัยกับการเดินจงกรมถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปปฏิบัติอีกร้อยปีก็ไม่ไปข้างเหนือข้างใต้เพราะไม่เกิดปัญญาจึงแก่ปัญหาชีวิตไม่ได้